วันศีลก็มาถึงอีกวันหนึ่งนี่ก็เป็นครึ่งพรรษาแล้วนะเพอแป๊แ บ, บเดียวก็ผ่านมาได้ครึ่งทางของการเข้าพรรษาพ่อออกไม่ออกก็ยังมาจำศีลกันเหมือนเดิมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธองค์ที่ นาสารเสริญเป็นปฏิบัติบูบชาส่วนใหญ่ชาวพุทธเราก็นิยมบูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาแต่ว่ามันไม่ดีเท่ากับปฏิบัติบูบชาพระพุทธองค์ก็สารเสริญการบูชาประเภทนี้ เพราะว่ามันดีกับผู้ปฏิบัติเองหนึ่งนอกจากต้องใช้ความเพียรมากกว่าการบูชาด้วยอามิสแล้วเนี่ยยังก่อให้เกิดผลที่ยั่งยืนกว่าอย่างการบูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนก็ ก็ใช้ความเพียรเหมือนกันต้องไปต้องไปหาซื้อมาสมัยนี้ก็ต้องซื้อทำเองไม่มีแล้วต้องไปซื้อก็ใช้ความเพียรแต่ว่าก็สู้ความเพียรที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ได้และผลที่เกิดขึ้นก็ยั่งยืนกว่าดอกไม้ที่ถวายแม้จะทำให้สวยงามเพียงใด พอผ่านไปได้สัก 2-3 าวันก็ร่วงโรยนะเหี่ยวเฉาไปแต่การปฏิบัติบูบชาด้วยการรักษาศีลการบำเพ็ญภาวนาก็เหมือนกับการรดน้ำดูแลดอกไม้ในใจซึ่งก็มีแต่จะ องอกงามมากขึ้นนะยิ่งทาก็ยิ่งยอกงอกงามนะกลายเป็นไม้ใหญ่ผลนี่มันต่างกันอามิสุบูชาพอทำไปแล้วผ่านไปวันสองวันสามวันนะดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาแต่ว่าปฏิบัติบูชาทำไปยิ่งทาดอกไม้ในใจก็จะงอกงามมากขึ้น แล้วมันก็ดีกับคนอื่นด้วยคนที่อยู่รอบตัวเราก็พอจะรับความสงบเย็นนะจากเราถ้าเกิดเราปฏิบัติถูกต้องพวกเราก็ไ่าพระโชคดีนะที่ได้มีโอกาสมารักษาศีลแล้วก็ได้มาปฏิบัติเพราะว่าในที่อื่นนั้นเนี่ ย, เ, น เ, นยเขาก็ ทำยากนะไม่ค่อยมีโอกาสเหมือนเราเพราะว่าความบีบคั้นทางด้านชีวิตทางด้านการทำงานอาตมาเคยไปประเทศอเมริกามีช่วงหนึ่งก็ไปพักที่วัดไทยแถวเบิร์กลีย์ใกล้ๆซานฟรานซิสโกก็บังเอิญที่ ใกล้ๆ ก, กับวัดไทยนะั้นเนี่ยก็มีวัดเซนเป็นพระพุทธศาสนาแบบเซนแล้วก็บังเอิญที่ผู้ช่วยเจ้าว่านี่ก็เป็นเพื่อนกันด้วยไปเจอกันโดยบังเอิญนะมีคนพาไปให้ว่าไปเที่ยววัดเซนกันหน่อยพอไปก็อ๋อเจอเพื่อนที่แรกเป็นเพื่อนของเพื่อนตอนหลังคุยไปคุยมาอ๋อก็ ั ก, ก, กันก็เลยได้รู้ว่าทุกวันตอนเช้ากับตอนเย็นก็จะมีการนั่งสมาธิสมาธิของวัดนี้เนี่ยทุกวันเลยนะถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเขาจะขับรถมาก่อนที่จะขับรถไปทำงานเนี่ยเขาก็จะมานั่งสมาธิที่ที่วัดเนี่ยวัดเซน ประมาณส5หนาทีก็คือประมาณเจดโมงถึง8ดโมงนั่งสมาธิเสร็จเขาก็ขับรถไปทำงานขากลับเขาก็มาแวะนั่งสมาธิสักส0สนาทีแล้วก็กลับบ้านเพราะงี้เขามีความตั้งใจมากแต่ว่าจะให้เขาลางงานมา มานั่งสมาธิหรือมาปฏิบัติอย่างพวกเราที่ทำในวันนี้เนี่ยมันก็ทำได้ยากถ้าคนในกรุงก็ทาได้ยากนะแต่พวกพ่ออกแม่ออกที่ทำได้แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องมีโชคถ้าไปอยู่ในเมืองก็คงจะไม่ค่อยมีโอกาสทำอย่างนี้เท่าไหร่แล้วละ่ะเพราะว่าสถานที่หรือว่าภูมิประเทศมันไม่อำนวยนะ จะมีวัดที่เปิดโอกาสให้ญาติโยมมาถือศีลทั้งวันในเมืองก็หาได้ยากแล้วแต่ว่าพวกเรายังมีโอกาสที่จะมารักษาศีลตลอดทั้งวันที่นี่ได้อันนเรเป็นโชคในชาดกมีเรื่องเล่าของราชาแห่งหนาคเรียกพญานาค พยายนนานี่ก็เป็นผู้ที่ฝ่ายรักษาศีลถึงวันศีลก็พยายามรักษาศีลแปดแต่ว่ารักษาไม่ค่อยได้เพราะว่านางสนมเยอะนะนางสนมเยอะหรือสิ่ง ย, ยั่วยุเยอะเพราะว่าเป็นพยานนาคไม่สามารถรักษาศีลข้อที่สามได้คืออภัมจริยานะีก็เลยต้องหนีขึ้นมาจําศีลบนบนโลกมนุษย์ จากใต้บาดาลก็หนีมาจําศีลบนบนบกก็ยังไม่ไวายโดนคนหลังแกคนเห็นในพญายนาคมาอยู่บนบกก็จับพญายนาคที่จริงมีฤทธิ์นะแต่ว่าวันในวันศีลเนี่ยก็ถือว่าต้องรักษาให้เคร่งครัดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช้อิทฤทธิ์พะใช้อิทฤทธิ์เช่นอ คนไฟหรือว่าป้องกันตัวแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้คนล้มตายพยาย น, นาคก็เลยต้องยอมให้เขาจับตัวไปเขาจับไปไหนเขาจับไปไปออกงานนะออกงานเพื่อให้เพื่อเก็บเงินก็ได้รับความลำบากทรมานมากนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่า บางคนบางชีวิตเนี่ยการที่จะรักษาศีลแปดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องอุตส่าห์นะอุตส่าห์หาที่หาทางต้องหลบหนีมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ยังไม่ไม่วาถูกรังควานถูกเขากั่นแกล้งพญานาคที่มีฤทธิ์มากนี่ก็ไม่ยอมแพ้กับมนุษย์ส่วนหนึ่งก็เพราะมั่นคงในศีล สุดท้ายก็เพราะศีลที่ตัวเองรักษาไว้ก็สามารถปกป้องช่วยให้ตัวเองอยู่รอดได้อพียานานี้ก็คือพระโพธิสัตว์นะในชาติหนึ่งแต่พวกเรามาจำศีลที่นี่ก็ปลอดภัยแต่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยจำศีลในสมัยนี้แม้แต่ในชนบทก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่า เพื่อนเอนที่จะมาจําศียงร่วมกับเราเนี่ยมันน้อยลงไปทุกทีน้อยลงไปทุกทีไม่เหมือนสมัยก่อนมีคนมาจำเสียงด้วยกันเยอะสองคมไทยสมัยก่อนหมู่บ้านไทยสมัยก่อนเวลาจําศียนี่มากันเยอะพร้อมเพรียงกันมีหมู่มีมิตรบางคนก็มามาจําศียงก็เพื่อได้พบเพื่อนได้พูดจาพูดคุยกันแล้วก็ถือโอกาสได้ว่างเว้นจากการงานด้วย แต่เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งในชนบทก็ทํางานกันนะตลอดทั้งปีวันศีวันพระก็ไม่ได้หยุดนะ ต, ต้องต้องอทํางานคนที่จะมาจำเสียงก็มีน้อยอันนี้จะจ่อไปแล้วก็เป็นเมืองไทยเราก็สู้นะหลายในหลายประเทศไม่ได้อย่างเช่นในศรีลังกานี่หมู่บ้านเขาก็ยังสังคมเขายังเป็นสังคมแบบ ชนบทอยู่มากแม้แต่ในเมืองโคลัมโบเมืองหลวงเขาพอถึงวันศีงก็ยังมีก็จะมีคนห่มชุดขาวมานั่งนั่งภาวนากันเยอะแยะสวดมนต์บ้างแล้วก็ทำสมาธิบ้างยิ่งในชนบทก็มีเยอะคนแก่ๆนี่ก็จะมากันกลายเป็นว่าใครไม่มาเนี่ยกลายเป็นคนแปลก ไม่เหมือนที่นี่ที่นี่หรือว่าในเมืองไทยเดี๋ยวนี้คนที่มาจำศีลกลายเป็นคนแปลกไปเพราะคนอื่นส่วนใหญ่เขาไม่มากันแต่ถ้าเป็นอย่างลังกาพมา่านี่ใครที่ไม่มาจำศีลเนี่ยกลายเป็นคนแปลกเหงาไปเลยนะเพราะว่าเพื่อนๆ น, นี่มามันมาจำศีลกันในวัดหมดก็ต้องมาด้วยเนะีย่ยการจำศีลในประเทศเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องง่ายบางทีก็มี คนหนุ่มคนสาวมาจำศีลด้วยยิ่งอย่างประเทศพม่าเนี่ยก็เรียกว่าทำกันเป็นเรื่องธรรมดาดีย๋ยว่าแต่วันศีเลยวันวันธรรมดาเนี่ยคนเข้าวัดกันก็เป็นเรื่องที่ปกติถ้าเคยไปเจดีชเวดากองเจดีช่วยดากองนี่เป็นเป็นเจดีที่ คือเป็นหัวใจของประเทศนะเป็นหัวใจเป็นเสาหลักของประเทศเคยไปก็ประหลัดใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเพราะว่าตั้งแต่เช้าหกโมงจนถึงสองทุ่มหรือสามทุ่มเนี่ยจะมีคนไปที่เจดีชเวดากอง การขับขั้งมากนะไปทั้งกราบไหว้ไปทั้งทำบุญนั่งสมาธิแม้กระทั่งไปเที่ยวก็มีหรือว่าพาลูกหลานไปเที่ยวสาวทิศนี้เขาไม่ได้ไปเที่ยวห้างกันนะไม่มีขั้นนิยมไปเที่ยวห้างอย่างคนในเมืองแต่ว่าเขาจะพาลูกหลานกันมาเที่ยวที่เจดีย์ชวดากอง ใช้คำว่าเที่ยวก็คงไม่ถูกเพราะเข้ามาแล้วก็าามาด้วยความนอบนอบ้นอมสำรวมกายสำรวมวาจาส่วนเด็กๆ ก, ก็อาจจะวิ่งเล่นนะอยู่บนลานเจดีนี่จะมีมีลานกว้างนะลานกว้างมากอยู่ร อ, รอบเจดีแล้วคนก็ทาคนก็อยู่ในความสงบเป็นส่วนใหญ่แม้บางคนจะไม่ได้มาสวดมนต์แต่ บางทีอาจจะพาแฟนมาหรือว่าพาครอบครัวมาก็ก็มาด้วยความสงบเป็นวัดที่มีชีวิตชีวามากนะไม่เหมือนยังดูแล้วเนี่ยเมืองไทยไม่มีวัดแบบนี้เลยแม้แต่ในกรุงเทพก็ไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่วัดที่มีคนเยอะเขาก็มาเที่ยวแต่เขาก็ไม่ได้มามาทำสมาธิภาวนา อาจจะมีวัดอย่างหลวงพ่อโสธรก็มีคนเยอะแต่ว่าก็มาแค่กราบไหว้มาขอขอพรเสร็จแล้วก็กลับนะไอ้ที่จะมาสวดมนต์แล้วก็มานั่งสมาธิแล้วก็อยู่นานๆอันนี้ไม่ค่อยมีหรือจะมาแบบมาเพียงแค่พักผ่อนหย่อนใจก็ไม่มีแต่ที่นั่นเนี่ยมันเป็นทุกอย่างของของคนย่างกุง้งนะ แล้วก็คึกคักตลอดทั้งวันใครเห็นก็แปลกใจแล้วก็ถ้าเป็นชาวก็ก็ประทับใจว่าเนี่ยเามีศรัทธามากเป็นวัดที่มีชีวิตชีวาไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นแค่ที่ท่องเที่ยวเท่านั้นในในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยการ การมารักษาศีลเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าใครๆเขาก็ทำกันนะแต่ว่าในเมืองไทยมันก็กลายเป็นเรื่องยากขึ้นทุกทีทุกทีเพราะว่าคนที่จะมาทำก็มีน้อยยกเว้นในบางกลุ่มบางที่ที่เขารวมกลุ่มกันเขาก็มีสถานที่ที่จะมารักษาศีลมาบำเพ็ญภาวนา อันนี้ก็ต้องอาศัยกลุ่มอาศัยพวกเลือกกลยันมิตรด้วยแต่ถ้าเป็นในชนบทเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่ว่านะคนที่มาปฏิบัตินะก็น้อยลงน้อยลงแต่เราก็อย่าไปไปไปห่วงกังวลเลยว่าจะมีใครมาปฏิบัติกับเราหรือไม่นะเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยใครทาคนนั้นก็ได้นะอย่าไปรู้สึกว่าโอ้ยเรา กลายเป็นนึกอิจฉาคนที่เขาไม่ได้มาจําศีลว่าเขาได้ดูหนังเขาได้ดูละครเขาได้ทําอะไรตามใจได้สวนเสเฮฮากินเหเล้าอะไรกันถ้าไปคิดแบบนั้นก็จะไม่มีความสุขกับการปฏิบัติแต่เราต้องคิดว่าเออเรามาแล้วเนี่ยเราก็ได้เองได้ความสงบนะได้ความสุขแล้วก็เป็นการเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วย เพราะว่าชีวิตเรานะมันก็มีความไม่เที่ยงทุกชีวิตก็ล้วนแต่มุ่งสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพักพานะ้ากนี่คือความจริงแต่ว่าถ้าเรามาปฏิบัติเอาไว้ให้ความแก่ความเจ็บมันก็ทาอะไรเราไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องลาจากโลกนี้ไปเราก็ไม่ได้ห่วงกังวล เพราะเราได้ทำดีได้สร้างบุญสร้างกุศล น, นะมามากมายการทำความดีเนี่ยมันมีประโยชน์คือให้ผลมีอนิสงฆ์ทั้งในขณะที่กำลังทำแล้วก็ทำเสร็จแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังหัวละลึกเมื่อหัวละลึกนึกถึงก็ยังมีความสุขได้ คนที่เขาได้ทำความดีมาตลอดเวลาเวลาเขาเจ็บเวลาเขาป่วยมีทุกมีทุกขเวทนาบีบคัน้นมีความเจ็บปวดจนกระสับกระส่ายนะพอมีคนมาพูดให้เราลึกถึงความดีที่เคยได้ทำเขาก็สบายใจให้ความเจ็บความปวดมันก็ทุเลาลงเคยมีคุณยายคนหนึ่งนะ แกก็เป็นมะเร็งแล้วก็ปวดที่ท้องมากปวดที่ท้องก็ไม่รู้พยาบาลก็ให้ยาก็ช่วยไม่ได้มากเท่าไหร่ก็เลยไปคุยกับคุณยายว่าในชีวิตนี้เนี่ยทำแล้วมีความสุขมากที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาทำแล้วมีความสุขมากที่สุด ลุยงยาก็บอกว่าได้ไปสร้างพระไปหล่อพระนั่นเองวันที่ได้ไปหล่อพระเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนมีความสุขมากเพียบางก็ถามต่อไปไว่าแล้ววันที่ไปวันนั้นจําได้ไหมว่าใส่ชุดอะไรใส่เสื้อเสีอะไรอ่าเขาก็จําได้เพยบางก็บอกเออลองเนี่ยลองให้เราแต่งตัวชุดนั้นเนี่ยเราไปเราไปสร้างพระเราไปหล่อพระกัน ให้นึกย้อนไปถึงวันที่ได้ไปหล่อพระแล้วก็นึกย้อนไปแล้วก็นึกถึงว่าแต่งชุดอะไรใส่เสื้อเสียอะไรท่พราพยาบาลก็ชวนให้นึกถึงบรรยากาศในวันที่ได้ไปหล่อพระสร้างพระแกก็ย้อนกลับไปได้ปรากว่าพอทําไปได้สักพักเนี่ยความปวดของแกก็ทุเลาลง แกก็แปลกใจเองทำไมหายความปวดท้องมันมันลดลงไปเยอะเลยมันลดไปเยอะเพราะใจเรานึกถึงความดีนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำนะพอเราได้ทำความดีทำบุญกุศลแล้วใจเราก็สบายนะท่านอาจารย์กาชีเคยเล่าตอนที่ไปไปเฝ้าหลวงพ่อที่โรงพยาบาลจุฬานะกลางดึก ก็มีโย ม, มานิมนต์นิมนต์นนไปทำอะไรนิมนต์ให้ไปรับสังฆทานจากแม่ของเขาที่กําลังจะเสียชีวิตที่อยู่ในตึกเดียวกันท่านก็ไปรับสังฆทานรับเสร็จก็สังเกตว่าแม่เนี่ยคือคนป่วยเนี่ยเขาไม่รู้ตัวแล้วแต่ว่าเขากระตุก<ๆ>กระตุกตลอดเวลาเลยสัญญาณชีพก็ สัญญาณชีพคือบนจอภาพเนี่ยนะมันก็ขึ้นลงเร็วมากขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วลงเร็วมากก็แสดงว่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่และถ้าตายไปตอนนั้นก็คงจะตายไม่ดีเพราะว่ากระตุกกระสรับกระส่ายก็ไม่รู้เป็นอะไรเป็นพ่ออะไรเนี่ยเพราะาคนไข้เาก็ไม่ค่อยรู้ตัวแล้วแต่คนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เขาฟังอะไรไม่ได้นะ ถึงแม้คนไข้ที่โคม่าไม่รู้สึกตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาพอจะได้ยินอยู่ท่านก็ถามประวัติเล็กน้อยเกี่ยวกับคนไข้ก็ได้ความวาแกชอบทำบุญวันพระทำบุญอะไรก็ใส่บาทชอบไปใส่บาทวันพระ <c oughs> ท่านกังชิกก็เลยบอกโยมที่เป็นคนไข้ตอนนั้นเลยว่าโยมวันนี้วันพระนะ เตรียมขดข้าวใส่ขันดอกไม้ทุกเทียนทาให้พร้อมที่จริงวันนั้นไม่ใช่วันพระนะแต่ว่าต้องการชวนให้โยมก็นึกถึงความดีที่ที่ทำเป็นประจำในวันพระเอาโยมขดข้าวใส่ขันนะเอาดอกไม้ทุกเทียนมาให้พร้อมอาหารหวานคาวด้วยจะไปใส่บาตรกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะเอาไปที่หน้าบ้าน พอพูดเรื่องใส่บานี่อาการกระตุกค่อยๆลดลงนะแล้วพอไปถึงเสร็จแล้วก็พูดชวนต่อไปว่าเอา้าถึงถึงหน้าบ้านแล้วเอาท้ายมือเห็นพระไห ม, ไมแกก็สายหัวขวามือแหละเห็นพระหรือ ย, ยังเห็นพระแล้วแกก็พยักหน้าทีนี้แกเริ่มผนมมือแล้วผนมมือนี่ขนาดไม่ค่อยรู้ตัวนะแต่ว่าตอบสนอง พอผู้เรื่องพระนี่มีอาการตอบสนองเลยพนมมือการกระตุกลดลงสัญญาณชีพที่มันขึ้นลงขึ้นหล่มก็ค่อยๆสงบแล้วท่านก็ชวนเอาใส่บาตรรูปที่หนึ่งมาแล้วใส่บาตรใส่ตักข้าวอาดอกไม้อาหารท่านก็นภาคไปเป็นทีละองค์ทีละองค์ทีลงจนครบกล่าวองค์บินบินส บ, บาใส่บาตรเส็ ตอนนี้คุณยายเลิกกระตุกแล้วแกไม่กระตุกแล้วแกนิ่งเลยนะสงบแล้วแต่แล้วก็ชวนไปไปกราบพระที่วัดไตรมิตรมีหลวงพ่อทําด้วยทององค์ใหญ่ที่โยงอันนี้แกไปเป็นประจำเอาไปกราบหนึ่งกราบสองกราบสามแต่แล้วก็นั่งภาวนาพุทธ หายใจก็พูดหายใจออกโธโยมทำงี้นะหายใจก็พูทหายใจออกโธแกก็ทำตามนะในจินตนาการของแกแกก็สงบเป็นลำดับทำไปได้สักพักสัญญาณชี้ที่มันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงก็ในสุดก็แบนราบก็แสดงว่าหมดลมลวไปอย่างสงบนะไปอย่างสงบเพราะอะไรก็เพราะว่าได้นึกถึง ความดีที่เคยทานึกถึงความดีก็คือการใส่บาตรที่ทําเป็นประจําคนเจ็บคนป่วยแม้จะถูกความเจ็บปวดบีบคั้นแต่พอนึกถึงความดีจิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานปิติความดีนั้นคืออะไรสำหรับคุณยายก็คือการที่ได้ใส่บาตรทุกวันทุกวันคงนึกไปถึงว่าตอนที่ใส่บาตรจิตใจสบาย ตอนที่ใส่บาตรจิตใจก็สบายใส่บาตรสรจิตใจก็อิ่มเอิบพอยอดระลึกไปถึงความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้อาการที่ทุรนทุนทนรายกระสรับกระส่ายลดลงไปจนกลายเป็นความสงบเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยมันมันให้ผลเรียกว่าคุ้มค่ามากนะให้ผลทั้งตอนที่กําลังทําหรือว่าอาจจะก่อนทาได้ซ้ําเพียงแค่คิดว่าฉันจะทําความดีฉันจะใส่บาตรจิตใจก็สบายแล้ว และพอได้ทำจิตใจก็ปิติทำเสร็จก็มีความอิ่มเอิบบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วผ่านไปหลายปีพอนึกถึงนึกถึงจีลยจิตใจก็สบายอย่างที่คุณยายที่แกไปหล่อพระก็ทำมาหลายปีแล้วแต่พอนึกถึงความรู้สึกก็สบายความเจ็บปวดก็คลายไปนี่เรียกว่าแม้ทาไปผ่านไปหลายปีพอนึกถึง อา น, นิสงส์ก็ยังบังเกิดนะจนกระทั่งเมื่อเวลาจะใกล้าตายนึกถึงใจิตใจก็ยังเป็นกุศลได้มันไม่เหมือนความสุขทางวัตถุนะความสุขทางกางเนี่ยความสุขทางวัตถุเช่นความสุขจากการกินการเสพการดูมันก็ให้ความสุขตอนนั้นเท่า น, นั้นแหละนะแต่ว่าพอเวลาผ่านไป แล้วลึกนึกถึงมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะเพราะว่ามันมีความสุขอย่างอื่นที่มาแทนที่หรือไม่ความรู้สึกนั้นก็ค่อยเจเจือจางลงไปความสุขจากกรมความสุขจากวัตถุมันให้ความพึงพอใจเพียงแค่ตอนที่ได้เสพแล้วก็อยู่หลังเสพนิดหน่อยเท่านั้นหลังจากนั้นก็จางหายไปนะเมื่อย้อนแล้ลึกนึกถึง ผ่านไปหลายปียอดแล้วลืกนึกถึงมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่แต่ความดีที่เกิดแต่ความสุขที่เกิดจากการทำความดีการให้ทานการรักษาศีลการบรรเ็ญภาวนาอันนี้มันให้ผลที่ยั่งยืนกว่านะจนแม้กระทั่งจะตายก็ยังสามารถทำให้เกิดความสุขได้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่า บุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตนะแล้เพราะฉะนั้นผู้ฉลาดเนี่ยเขาก็จะนิยมมานิยมทำความดนะีทำความดีนี่ก็ให้ทานรักษาเศลเจริญภาวนาก็หนีไม่พ้นสามข้อนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องทำที่วัดอย่างเดียวนะทำที่บ้านทำที่ไร่ที่นา ทำกับคนอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำกับพระนะแต่ว่าทำแล้วเนี่ยคอเรามีศรัทธาในความดีเราก็จะมีความอิบเอิบปิตนะิอันนี้แหละคือคุณค่าของอาการบูชาด้วยการปฏิบัตินะปฏิบัติบูบชาถ้าถึงบอกว่า ถึงแม้ใครจะไม่ทากับเรานะแต่เราเราทเองเราก็ได้คนเดียวที่จริงจะว่าเราได้คนเดียวก็ไม่เชิงเพราะว่าพอเราทาแล้วเราจิตใจเราสบายถ้คนที่อยู่รอบข้างคนที่ได้พบปะเราเขาก็ปล่อยสบายใจไปด้วยเพราะว่าความสุขนั้นเนี่ยมันความสุขความสงบเนี่ยมันมันสามารถแผ่ไปถึงคนอื่นได้ บางทีแม้แต่สิ่งมีชีวิตมันก็รับรู้ได้นะจะเป็นสัตว์หรือแม้แต่ต้นไม้เวลาได้อยู่ใกล้คนที่มีความสุขมีความสงบก็รับรู้ได้สัตว์ที่เคยพิยศนะก็สามารถที่จะรับรู้ถึงเมตตาของมนุษย์ได้นะแม้กระทั่งสัตว์ดุร้ายเช่นพวกจงอางนะ มันก็รับรู้ได้ว่าคนที่มีมีเมตตาอย่างที่เคยเล่าเรื่องจงอ้างที่ตามหลวงพ่อชาไปไปบินทบาทนะมันก็ตามไปทุกเช้าแต่ไม่ได้ตามตลอดนะพอพอจะพ้นเขตวันมันก็เลื้อยกลับเข้าวัดแต่ท่านไม่เห็นหรอกแต่ว่าชาวบ้านเห็น ชาวบ้านทักท่านก็ยังบอกว่าไม่รู้ว่ามีจงอางตามมาตามหลังท่านแต่พอสังเกตว่าหลังๆก็เห็นเออมันตามมาแต่ว่าไม่ได้ตามตลอดตามไปได้ครึ่งทางก็เลื้อเข้าวัดไปตอนหลังท่านก็บอกว่าอย่ามาตามเลยนะเดี๋ยวลําบากบางตัวก็นิลุศิษย์ท่านก็ไายฝังตัวท่านบางทีเขากำลัง ประชุมพากกันอยู่มันเลื้อยเข้ามาเลยคนแตกตื่นกันหมดแต่มันไม่มีอะไรนะพอหลวงพ่อบอกให้ใ ห, ให้ให้มันกลับไปซ้มันก็กลับมันยอมให้ท่านตบหัวด้วยนะมันชูชูคอมาสูงเลยให้ท่านตบหัวมันให้กลับไปนัสรมก็รับรู้ได้ถึงความสงบในจิตใจซึ่งต้องเปลี่ยนไปด้วยเมตตานะ ต้นไม้ก็เหมือนกันนะต้นไม้ไม่มีเรื่องเล่าว่าล้วนตอนที่หลวงพ่อชาท่านม่สบายท่านก็มารักษาตัวแถวแถวปากนา้ำนทะ่านก็มารักษาตัวที่กรุงเทพนะแต่ว่ามาจำวัดแถวแถ ว, แถวปากปากนา้ำเป็นบ้านโยมบ้านบ้านโยมคนนี้เนี่ยมันมีต้นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเรียบพวงประดิษฐ์ พวงประดิษฐ์เนี่ยมันก็เคยออกดอกงดงามตลอดปีแต่ว่าหลังจากที่ลูกชายของเจ้าของบ้านเสียชีวิตนะ่ะต้นไม้มันก็เหมือนกำงอย่นะดอกก็ไม่ออกเลยจนกระทั่งหลวงพ่อชาท่านมาหลวงพ่อชาทุกเช้าท่านก็จะไปเดินในสวนแล้วก็ บ่อยครั้งก็มาหยุดอยู่ที่หน้าต้นพวงประดิษฐ์นะท่านทำยิ่งเป็นกิจวัตรเพราะว่าท่านต้องรักษาตัวอยู่เข้าใจว่าหลายที่อาจเป็นเดือนได้ซ้นะําำบอกว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยต้นพวงประดิษฐ์มันก็ออกดอกสะพรั่งเลยเป็นที่ประหลามาเพราะว่ามันไม่ออกดอกมาหลายปีแล้วก็เลยเชื่อกันว่าเนี่ยเป็นเพราะว่า มันคงรับรู้ได้ถึงความสงบความเมตตาของหลวงพอ่อหรือว่าหลวงพ่อถ้าจะแผ่เมตตาให้ต้นไม้ต้นนี้ก็เลยออกดอกเหมือนเดิมเลยแล้วก็ออกดอกอย่างนั้นมาตลอดนะแม้ว่าท่านจะไม่ได้มาพำนักจำวัดที่นั่นนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องชี้ว่าสิ่งแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตเนี่ย ที่ริงต้มมากก็มีชีวิตนะหรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตหรือสึงไม่มีชีวิตเนี่ยมันก็สามารถจะรับรู้ถึงความสงบหรืออำนาจจิตของเราได้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันมีคนญี่ปุ่นเข้ามาทดลองว่าไอ้น้าเนี่ยน้ำที่ที่เราใช้ที่เรากินเนี่ย ถ้าเราด่ามันหรือเราชมมันเนี่ยมันก็มีผลต่อผลึกของน้ำคือพอทำให้เป็นน้ำแข็งเนี่ยเราก็เอาเอาเอาเอาเอามาส่องกล้องจุลทรรศน์เนี่ยก็จะเห็นผลึกของน้ำเนี่ยไม่เหมือนกันเท่าน้ำใส่ขวดแล้วก็ฟังเพลงเบา หรือเอาน้าใส่ขวดแล้วก็ฟังเพลงที่มันกระแทกกระทันหรือฟังบทสวดมนต์ให้ผลึกน้ำแข็งเนี่ยมันจะต่างกันน้ำที่ฟังบทสวดมนต์เนี่ยผลึกจะสวยเป็นหกเหลี่ยมแต่น้ำที่ฟังเพลงกระแทกกระทันเนี่ยผลึกไม่สวยเลยและยิ่งทดลองดามันดามันอยู่เรื่อย มันจะกลายเป็นผลึกที่ไม่ไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยอันนี้เขาก็ทดลองหลายๆอย่างหลายๆวิธีนะเขาเคยมาที่นี่ด้วยแล้วก็เอาเอาน้ำจากหมู่บ้านกับน้ำที่ริมสาระไก่สมัยก่อนทาวัดส่วนมนที่สาระไก่ก็ไปดูเขาไปเอาไปดูโ ด, ดยการทำให้เป็นน้ำแข็งแล้วก็ดูผลึกน้าแข็งพรากว่าน้ำที่มาจากสาระไก่เนี่ย จะสวยกว่าน้ำที่มาจากหมู่บ้านนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าน้ำที่สารากายได้ฟังพระสวดมนต์อยู่เป็นประจำนะอันนี้ก็จะอธิบายได้ว่าน้ำมนต์เนี่ยทำไมมันมีผลนะต่อผู้คนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผลึกของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับ มันไม่เหมือนกับน้ําทั่วไปแล้วคนเราเนี่ยในตัวเรามีน้ำตั้ง 70, 80, 80็บปดเอร์เซ็นั้นถ้าเราสวดมนต์อยู่เรื่อยๆหรือว่าเรานึกในสิ่งที่ดีอยู่เรื่อยๆเราทําบุญให้ทานรักษาศีลเป็นประจำเราสวดมนต์เรานึกแต่สิ่งดีๆไม่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดคลองใจไอ้น้ําในตัวเราเนี่ยมันก็น่าจะดีดีกว่าน้ํา ในตัวของคนที่เต็ไมไปด้วยความเกลียดที่ไม่ทําความดีน้ําที่อยู่ในตัวเราเนี่ยที่ดีๆเนี่ยก็คงทําให้สุขภาพเราดีด้วยเราทําให้จิตใจเราดีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันแม้จะไม่มีชีวิตเนี่ยมันก็ได้รับอนิสงค์ของการทําความดีหรือว่ารับรู้หรือได้รับอิทธิพลจากจิตใจที่สงบด้วย เพราะนั้นถ้าเราได้เห็นได้มีเข้าใจถึงคุณค่าของความดีของการทําบุญแล้วเนี่ยนะก็ให้หมันทําบุญกันเรื่อยๆไปว่างก็มาจําศีลนะไม่ว่างก็จำํำศีลที่บ้านก็ได้ให้ทําความดีเป็นเป็นชีวิตของเราไปเรื่อยๆ อ, อัลลัฮก็พ่อแม่ก็เตรียมรับศีลด้